ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปาธมยาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตภิคุก็กลับมาทุกๆวันเสราร์นะปาธมยาเมเทศนาแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนท่านฟังสักนิดนึงสําหรับใครที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางแอป เพราะว่าบางคนก็มีประสบปัญหาเกี่ยวกับว่าบางครั้งที่ลงคลิ ป, ปแล้วเนี่ยก็ไม่มีการแจ้งเตือนทีนี้ก็อยากจะแจ้งท่านผู้ฟังว่าสาหรับช่องอิซิตธรรมะเนี่ยจะมีการลงคลิปทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ซึ่งวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงอ่านก็จะเป็นทางสงบกับสนิมในใจ และส่วนของวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นปมัยมยามกับสันเดคอสแต่สันเดคอสเนี่ยอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ไปเทศนอกสถานที่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือสำหรับวันเสาร์แบบนี้ก็จะมีรายการปมัยมยามเทศนาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆอาทิตย์ซึ่งมันก็เป็นวันหยุดนะวันเสาร์เราก็ ได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาไปในการที่เราจะพักผ่อนจากการที่เรียนหนังสือก็ดีทำงานก็ดีเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยส่วนมากท่านผู้ฟังใช้เวลาในการพักผ่อนแบบนี้ยังไงบ้างแน่นอนเลยบางคนก็คงจะไปดูหนังบางคนก็จะไปเที่ยวกินข้าวกับครอบครัวอย่างนี้นะ หรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาไปกับการอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ดูทีวีได้ดูหนังดูละครไปเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแบบหนึง่งแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงเรื่องกามเนี่ยทิ้งเอาไว้ว่ามันก็เป็นเหมือนกับผู้คุมที่จะคอยจองจาเราแล้วก็คอยพยายามนะจะให้ เราเนี่ยอยู่ในวัตตะอันนี้ต่อไปไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวัตตะการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต่อไปทีนี้มันเป็นอย่างนี้ไอแบบละเอียดละเอียดเนี่ยก็คือแบบคราวที่แล้วที่เราได้เปรียบเทียบว่ามันก็มาให้เราเพลิดเพลินยินดีไปในทางตาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไปใช่ไหเราก็มีความเพลิน ม, มีความยินดีทีนี้ถ้าเกิด เราติด ก, กับดักมาแล้วเนี่ยเราเพลินเรายินดีไปกับความสุขในกามทั้งหลายมีความมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายอยู่เนี่ยแน่นอนความคิดความอ่านของเราเนี่ยมันก็จะคิดถึงแต่หาความสุขในทางกลาเท่านฟังเราก็จะไม่ค่อยได้คิดถึงว่าเราเนี่ยจะหลีกออกจากกามยังไงเราจะหาความสุขจากการที่เราหลีกออกจากกามได้ไหม เราก็จะไม่ค่อยได้คำนึงถึงตรงนี้และแน่นอนเลยถ้าเราเดี่ยได้มองตัวเราเองมองคนรอบข้างมองกับถึงสังคมโดยรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนน้อยมากเลยที่คนในสังคมเนี่ยจะมีความเห็นว่าความสุขในการที่เราจะหลีกออกจากกรามเนี่ยมันดีนะมันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปพึ่ง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขที่เกิดแต่ในภายในเหมือนกับที่เรากำลังฝึกอยู่ตอนนี้ที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราก็มานั่งกัสมาธิใช่ไหมเราคอยกำหนดดูลมหายใจให้ใจเราเนี่ยจดจ่อต่อเ น, นื่องอยู่กับลมหายใจแบบนี้แล้วก็เป็นการสงบระงับตาหูจมูกลิ้นกาย สงบประงับความคิดให้มาจดจอ่ออยู่ในอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของการหายใจพอเราจดจอ่อต่อเนื่องอยู่ได้อย่างนี้เนี่ยอารมณ์ในใจเราก็มีความสงบคําว่าสงบเนี่ยก็ต้องมาแจกแจงสักนิดนึงนะเท่าฟังคําสุำว่าความสงบใช่ไหมก็คือสงบอะไรสงบจากความฟุ้งซ่านจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดพอมันสงบ ไปใจเราก็มาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของการหายใจแบบนี้ได้แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงชอบใช้คําว่าสงบสุขเอามาต่อกันเลยแต่จริงๆความสุขมันก็เป็นผลน่ยเป็นผลจากการที่เราสงบระงับอารมณ์ภายนอกออกไปได้มีความสงบระงับอารมณ์ภายนอกแล้ว เราก็มีความตั้งมั่นในอารมณ์ในภายในที่ได้จากการที่เรามาเฝ้าดูลมหายใจอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นการย้ำเนี่ยเกี่ยวกับว่าอันนี้วัตถุประสงค์นะในการที่เราจะมีความสุขที่มันมากขึ้นลดทอนความทุกข์ได้เนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยแล้วกามเนี่ยนะมันก็จะพยายามเนี่ยไม่ให้เราเนี่ย ได้รู้จักวิธี น, นี้พยายามให้เราหลีกไกลหลีกหนีจากวิธีการอันนี้ให้เราไปอยู่กับอะไรอยู่กับความเพลินความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอเราเพลิดเพลินไปอย่างนั้นเนี่ยเพิดเพลินไปในกามเราก็ไม่มีความคิดที่จะหลีกออกจากกามเป็นเรื่องปกติเลยแต่ถ้าเราเกิดมีความทุกข์ขึ้นเนี่ย เราก็ค่อยจะเริ่มที่จะคิดแหละว่า เ, เราจะแก้ทุกยังไงแล้วใครมีวิธีการนำเสนอวิธีการแก้ทุกยังไงบ้างแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นบุคคลที่นำเสนอวิธีการแก้ทุกเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาฟังคำสอนเนี่ยทางที่พระพุทธเจ้านำเสนอเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับฟัง พอไม่ได้รับฟังเราก็ไม่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นแก้ทุกขแบบปกติทั่วไปเนี่ยมันเป็นการบทบังเป็นการบันเทาเฉยๆนะถ้าจะเปรียบได้เนี่ยก็พระนิกปินเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างไว้ดีนะท่านเปรียบเหมือนกับคนเป็นโรคหิตก็คือมันจะคันเนี่ยเป็นตุ่มตามตัวคันขเยเออเลยถ้าวิธีแบบโรคๆเนี่ย เราก็จะบรรเทามันด้วยกันที่เราก็จะเกาไงพอเราเกาเราก็มีความเส็บเสบมีความตรงผิวอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าอารมณ์เนี้ยมันมาแทนอารมณ์คันของเราได้เราก็มีความรู้สึกหลีกหนีห่างไกลจากอารมณ์คันไปซึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะคันกลับขึ้นมาอีกเราก็เกาอีกเกาอีกก็มันก็คันอีกคันอีกเราก็เกาอีกก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแา้วไปฟัง สัมร้ถ้าเกิดเกามากๆเนี่ยมันก็เป็นแผลอีกเป็นแผลมันก็ลูกลามใหญ่โตไปเรื่อยแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้านำเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าเราแก้ปัญหาด้วยการที่เราทำให้หายจากโรคหิดดีไหมถ้าเราไม่มีโรคหิดเนี่ยเราก็จะไม่คันนะไม่มีผืนไม่มีความคันเราไม่มีความคันเนี่ยมันก็ดีกว่าแน่นอน ดีกว่าคันแล้วแล้วก็มาแก้ปัญหาด้วยกันเก่าอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้อันเนี้ยซึ่งเราว่ามันก็เป็นวิธีเปรียบเทียบที่เห็นภาพพอสมควรเพราะว่าการที่เราจะแก้ทุกเนี่ยทุกใหญ่ใหญ่ทุกสาคัญมันก็คือทุกของใจนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเราแก้ทุกใจเป็นตรงจุดถูกจุดเราก็ มันรักษาโรคนะหายรักษาโรคทางใจได้เราก็หายสนิทหายขาดไม่ต้องกลับมาเป็นโรคทางใจอีกนะซึ่งเราก็เคยได้พูดไปแล้วเนี่ยโรคทางใจมันมีอะไรมันเป็นโรคหิวไงโรคร้อนจากโทสะใช่ั้ยแล้วก็โรคมึนๆไม่ไม่รู้จริงมาจากโมหะทีนี้ก็ ไอาการที่เราใช้เวลาเพื่อเพลินไปกับการเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะคิดว่าแล้วมันผิดตรงไหนเราหาความสุขจากกรรมแล้วการที่เราจะหาความสุขจากการหลีกเล้นออกจากกรารมเนี่ยมันทําไม่ได้ตลอดเวลาหรอกโดยจะมานั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำอาหารกินอะไรก็ถูกแล้วนะ เราก็คงจะไม่ได้สามารถที่จะมานั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันหรือว่าฟังเทศได้ทั้งวันอะไรอย่างนี้นะแต่ที่แน่ๆก็คือการที่เรามีความเพลินเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับโจรสนอกมาหลอกเราให้เราเพลินแล้วก็แอบแทงเราข้างหลังก็คือการกักกันเราให้เราอยู่ในวัตฏะวันอนี้ไปเรื่อยๆแต่พอเราเพลิน เราไม่รู้ทางที่เราจะออกจากเรือนจำห้องขังวัตะอันนี้มันจะเพิ่มดีกรีนะท่านฟังเพราะอะไรถ้าเรานึกภาพเนี่ยอยากให้ท่านฟังเห็นภาพนี้ซะ ก, ก่อนคือเวลาที่คนจะหลุดออกจากเรือนจำวัตะอันนี้ได้เนี่ยก็คือต้องฟังธรรมรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ใช่ แต่การที่เรามีความเพลินมีความยินดีไปในทางการเนี่ยเราก็ไม่ได้สแสวงหาทางออกเราก็ไม่ได้สแสวงหาความรู้ความจริงที่ทำให้เห็นว่าเออการ ม, มันมีโทษนะแล้วเราจะสลัดมันหลุดยังไงแล้วก็เหตุแห่งความทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราตายไปปุ๊บใช่ไหมมันก็วนเวียนวีนวนเวียนวนอยู่อย่างนี้แหละ แต่การที่เราจะมารู้จากคาสอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนนๆก็อุบททัตซักองค์หนึ่งแล้วเวลาในาศาสนานเนี่ยกับเทียบเวลาในวัดตะวันอันเนี้ยมันก็นิดหน่อยไม่มากแล้วโอกาสที่เราจะมาอยู่ในช่วงเวลาที่มีคาสอนหรือเจอพระพุทธเจ้าให้ฟังเทศจากพระองค์ตรงๆเนี่ยก็โอกาสน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเวียนวนเวียนว น, เ ว, น, วนเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้แหละ แล้วซ้ำแล้วเนี่ยการที่เราเพลินมีความยินดีอยู่ในกามหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามเนี่ยถ้ามันเพิ่มดีกรีเข้าไปอีกปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเพิ่มโอกาสที่เราจะไปทุกติได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่จิตเราซ่อมหมองจิตเราขุนมัวหรือไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เนี่ยโอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานี่ก็มีมากถึงแม เราจะอยู่ในยุคที่มีคำสอนมีพระพุทธเจ้าอุบาทอยู่ในตอนนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ในทุ ก, กติก็คือเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถึงแม้จะได้มีโอกาสฟังธรรมก็บรรลุธรรมไม่ได้นะก็เสียโอกาสไปซึ่งแน่นอนแหละกิเลสมันต้องต้องพยายามให้เราอยู่ในแดนต่ำแน่นอนถ้าเราอยู่ในแดนบวกก็คือมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ไงท่านฟัง เราก็มีโอกาสที่จะหลุดออกจากวัตฏนี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องกดเราลงไปกดเราลงไปในภูมิที่มันเป็นทุกขติเพื่อที่เราจะหมดโอกาสที่เราจะได้บรรลุธรรมฟังธรรมเข้าใจหรือปิดกั้นทางของความดีของเราแล้วการที่มันจะทาให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสเนี่ยก็คือทำให้เรามัวเมาเพิ่ม มีความเห็นผิดเพิ่มมีความติดในกามเพิ่มและไอ้ที่ว่าเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มยังไงยกตัวอย่างเนี่ยก็เหมือนกับสมัยเนี้ยเราก็จะเห็นแหละว่าข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนก็ดีก็มากขึ้นใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่นานๆเกิดทีเหมือนสมัยก่อนนะอย่างช่วงนี้ก็ได้ ข, าข่าวบ่อยเกี่ยวกับข่ขมขืนน่ะหรือ ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับครว่าอย่างเดียวนะส3สวันที่ผ่านมานี่แหละข่าวพระก็ด้วยก็ให้สมมเณีน เ, เข้ามาในกุฏิแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละมีเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นว่าพอเรามีความที่ไม่เข้าใจมีความมัวเมามากเกินระดับหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราเสียศีลไปท่านฟัง เสียความเป็นคนดีคือเราเสียศีลไปทัป้งปังพอเราเสียศีลไปพอเรามีความบกพร่องเรื่องศีลไปเนี่ยแน่นอนเลยมันทําให้เราเนี่ยโดนกดลงไปในภูมิต่ําแน่นอนอย่างคนที่ผิดศีลข้อสามการเมสุมิชชาเนี่ยอย่างพระก็ตามเนี่ยถ้าไปผิดวินยัยแบบเป็นอาบัติประเชิกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปสู่สุคติภูมิและทุคติมันก็รอยอยู่แล้วแหละอย่างการที่ เรามัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันมากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยมันล่อหลอกเราไปในทางกามรืาฟังการนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่แหละทำให้เรามีความละอายลดลงมีความอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมากขึ้นพอมันทำให้เรามีความละอายมีความกลัวผลของความชั่วลดลงเนี่ย มันก็ทำเรื่องไม่ดีได้มากขึ้นไงเบียดเบียนคนเราอยากได้คนนี้คนนี้ดูสวยคนนี้ดูหลอ่อแล้วทำยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่รักเราเราอยากได้เขาซึ่งก็ไม่ได้รักด้วยอยากได้แต่ไอความต้องการทางเพศอย่างเดียวก็ใช้ยาบ้างแหละล่อลวงบ้างแหละค่มคืนบ้างแหละมันก็เป็นไปตามเรื่องตามราวที่มันเพิ่มดีกรีทาให้เรา ทำเรื่องไม่ดีศีลของเรามันก็พังพินาศออกไปเท่าไหรงอันนี้แค่ข้อเดียวนะถ้ามันพังไปแล้วเนี่ยมันก็พาไปข้ออื่นพังมาด้วยแหละก็ทําให้เราไม่ได้ไปสุคติแต่ทีนี้เล่เหลี่ยมเนี่ยมันมันค่อยๆหลอกเราเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าในพลาเนี่ยเขาจะล่อเนื้อใช่ไม่มลอกวางนี่แหละกวางเนื้อเนี่ยเขาก็ค่อยๆหยอด อาหารนี่มันทีละหน่อยพอมันกินติดปุ๊บเขาก็ย้าย้ยายที่ไปอีกที่หนึ่ง ใ, ใกล้ๆกันหนะย่อนมันอีกให้มันออกมาไกลจากฝูงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันติดแล้วเนี่ยมันก็ตามมันเรื่อยๆไงตามมากินเรื่อยกินเรื่อยกินเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บในผ่านก็จับได้โดยง่ายติดกับดักได้โดยง่ายอย่างคนเราเนี่ย มันไม่ได้อยู่ดีๆอยากจะไปข่มคืนคนอื่นได้ง่ายๆนะท่านผู้ฟังคือมันก็ต้องสั่งสมเหมือนกันกิเลสมันก็มาเพิ่มดีกรีเราไงให้เราติดมากขึ้นแล้วมันทำยังไงโอ้สมัยนี้เยอะแยะสิ่งที่มันจะคอยล่อหลอกเพิ่มความเห็นผิดเพิ่มความยึดติดผิดๆให้กับเราเนี่ยมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้สื่อมันก็ มีมากเข้าถึงได้ไวแล้วก็มีการกลั่นกรองน้อยใช่ไหมไม่ใช่แต่สื่อที่เป็นพวกใต้ดินอีกเดียวนะเดี๋ยวนะยนี้สื่อหลักก็ไม่แพ้กันอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างรายการที่คอยจับคู่ผู้ชายผู้หญิงก็มีมากมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บสังคมเราก็เปิดทางให้ด้วยเปิดทางให้ยบอกว่าเราก็ต้องมีความเท่าเทียมมีความเปิดเผยในเรื่องทางเพศ เราจะไปอ้ายและมันเป็นยังไงมันก็ทําให้กิเลสมันมีช่องไงถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีคหนอบตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เราจะตีกรอบการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่มันมากกว่านี้เราก็จะมีมุมมองว่าเออการพูดถึงเรื่องทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องนั่นละอายนะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้คุยกันโดยง่ายหรือเปิดเผยหรือเอาเอีกฮาเอามัน ในสมัยนี้ก็พัฒนาไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วค่านิยมของสังคมเราก็มีความที่เปิดมากขึ้นเปิดช่องให้กิเลสมากขึ้นอย่างผู้หญิงก็ไม่ได้เนย้อมไอเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างถ้าเราดูหนังสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันบ่งชี้ถึงค่านิยมสมัยนั้นว่าออผู้หญิงก็จะโดนตีกรอบเยอะสมัยนี้ก็เปิดขึ้นมาเยอะแล้วล่ะเพราะฉะนั้น ความที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ที่เขาสร้างภาพไว้สมัยก่อนก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแหละเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมากับอารมณ์ในใจทั้งด้านชอบและไม่ชอบแต่ไม่ใช่ถูกกับไม่ถูกนะชอบกับไม่ชอบอย่างผู้ชายคนนี้หล อ, อมีซิกแพคมีกล้าเป็นมัดมัดโอ้ดูดีมากเลยล้วก็จะเห็นเนี่ยตามในทีวีเนี่ยแหละ ว, ว่าเออ มันก็มีมากขึ้นเปิดเผยขึ้นแล้วก็สร้างค่านิยมให้กับลูกๆหลานๆเราให้เปลี่ยนไปให้เปลี่ยนระดับความยอมรับเพราะเด็กๆ เ, เขาโตมากับอย่างนี้เนี่ยมันก็ซึมซับไปแล้วว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้หญิงล่ะผู้ชายเลยก็เป็นมานานแล้ว มีค่านิยมผู้หญิงต้องแบบนี้ถึงจะดีต้องไว้แบบนี้แบบนี้แต่งตัวอย่างนี้ถึงจะออทำให้เกิดความต้องการทางเพศมากขึ้นแล้วก็มีความต้องการทางเพศเนี่ยทางผู้ชายผู้หญิงที่มันมากขึ้นเนี่ยพอมันมากขึ้นแล้วออแล้วมันไม่ได้รับการตอบสนองตามทานองครองธรรมก็ไปหาช่องที่มันไม่ถูกต้องตามทานองครองธรรมซะ มันก็เป็นเหตุให้มีปัญหาสังคมอย่างทุกวันนี้แหละก็คือผ่มคืนบ้างและล่อลวงบ้างและพูดมาซะยาวก็พูดมาแต่ปัญหานะถ้ า, าฟังแล้วหลักๆสำคัญเนี่ยเราจะดึงตัวเราออกจากวิกฤตอันนี้ยังไงเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราค่อยมาเพิ่มเติมกันดีกว่าอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังทำด้วย ได้แชร์ธรรมะให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆที่มีโอกาสที่จะเพิ่มความสุขลดทอนความทุกข์มีโอกาสที่เราจะมาหลุดออกจากวัตะวันนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจเจริญพร